ศีลห้าคือยอดแห่งความดีด้วยความเมตตาสงสารต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงมาตีเส้นตายไว้ว่าข้อหนึ่งอย่าฆ่าข้อสองอย่าเบียดเบียนข้อสอย่าข่มเหงข้อสอย่ารังแกข้อหอย่าอิจฉาตาร้อนแล้วให้ทุกคนนึกเสมอว่า ขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นแนวทางของการปฏิบัติในเมื่อเรามาพิจารณาถึงความข้อนี้เราจะได้ความว่าถ้าเราสงสัยข้องใจว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราเพื่อประสงค์อะไร ที่ท่านสอนให้ละบาปให้ทำดีให้ชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดนั่นมันลึกซึ้งเกินไปบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจรู้ไม่ถึงเราทำความเข้าใจเอาง่ายๆพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราเนี่ยเพื่อให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันมีอะไรเป็นหลักฐานมีศีลห้าข้อเป็นหลักฐาน กับเมตตาพรหมวิหารพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราละกิเลสโดยตรงแต่ให้เรารู้จักใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมเราจะใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมได้อย่างไรสีนห้าเป็นหลักการกระทำสิ่งใดถ้าไม่ผิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งทาลงไปพระพุทธเจ้าไม่ว่า ถ้าเราเข้าใจกันเสยอย่างนี้เราจะปฏิบัติธรรมะได้คล่องตัวสบายอันนี้ท่านทั้งหลายสอนกันรักษาศีลห้าแล้วไปสวรรค์ไปนิพพานเผื่อว่าใครเขายังไม่อยากไปละ่ะเขาก็ไม่ปฏิบัติรักษาศีลห้าหนึ่งเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคม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 หกเป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบ ก, การปกครองประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์เพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีสินห้าเคารพสิทธิในการดำรงชีพอยู่ของคนอื่นเคารพสิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติเคารพสิทธิคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามและสิทธิอื่นๆครอบจักรวาลไปหมด เพราะฉะนั้นยอดแห่งความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศีลห้าข้อเท่านั้นเพื่อจะให้ศีลห้าข้อนี้มั่นคงในจิตในใจท่านให้ฝึกสมาธิแล้วก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูเหตุผลให้รู้เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่ารักษาศีลห้ามันได้ประโยชน์อะไรบ้างนี่ พื้นฐานที่เราต้องทำความเข้าใจมันอยู่กันที่ตรงนี้